หรือวิ ญ, ญญาณขันไม่ปรากฏอาการมีหน้าที่แค่รู้ไม่สามารถถูกรู้ได้ฉนั้นจะไม่สามารถที่จะเอาขันห้าย้อนกลับมามาเห็นจิตหรือวิญญาณขันนี้ได้แต่เราอาศัยที่ว่าจิตวิญญาณขันทําหน้าที่กับเจริสิแล้วเกิดเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นธรรมารมณ์แล้วเราสิ่งที่เรารับรู้ได้คือไอ้ธรรมอารมณ์ตัวเนี้ยงั้นเนี้ยก็เหมารวมกันตั้งแบบธรรมารมณ์ย้อนไปทั้งทั้งยวงที่หลวงตาพูดว่าถืหักทิ้งทั้งยวงเนี้ย ทิงทั้งผู้รู้ที่ทั้งผู้รู้แล้วก็ทิงทั้งผู้คิดมันคือทํำงานร่วมกันนะเนี่ยทั้งผู้รู้ทั้งผู้คิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดก็คือทิ้งทั้งู่ปล่อยวางทั้งคู่แต่จะไปเลือกจะไปให้เห็นเอาไอเอาไอเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจพยายามจะย้อนกลับมาเห็นวิญญาณอคติมันไม่ได้เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นตัวเห็นได้แล้วก็วิญญาณอคติเนี่ยมันเห็นรูปใช่ไหมวิญญาณอคติเนี่ยเป็นรู้รูป วิญญาณขันเนี่ยไปรู้รูปทางตาวิญญาณขันเน่ยไปรู้เสียงทางหูวิญญาณขันเน่ยไปรู้กลิ่นทางจมูกวิญญาณขันน่ไปรู้รสทางลิ้นวิญญาณขันไปรู้ผลสัะหรือสิ่งที่สัมผัสกายทางร่างกายวิญญาณขันเนี่ยไปรู้เวทนาสัญญาสังขารคือธรรมอารมณ์คือธรรมอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารไม่ธรรมอารมณ์ค่ะงนั้นวิญญาณขันเน่ยก็ดูรูปเสียงกลิ่นรสเอ่อสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์เนี่ยมไม่เห็นว่าไม่มีเลยที่ วิญญาณขันเนี่ยมารู้วิญญาณขันถ้ามันรู้มันมันมีหน้าที่รู้แต่มันไม่ไม่สามารถที่จะโดนรู้ได้ใช่มันเลยมีหน้าที่รู้มันไม่สามารถที่จะโดนรู้ได้ดังนั้นคนที่พยายามจะเอาขันห้ามาหาวิญญาณขันเนี่ยหาผู้รู้เนี่ยมันหาไม่เจอมันหาไม่ได้เพราะว่ามันหาได้เฉพาะไอ้วิญญาณขันเนี่ยไปรู้ได้เอมันรู้มันไปรู้มันไปหาได้เฉพาะที่มันไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารแต่มันจะย้อนกลับมา มหาตัวมันเองไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถปล่อยวางมันได้โดยที่ว่ามันทํางานร่วมกับเจนสิคเนี่ยคุณสมบัติที่ดีของมันคือมันทํางานร่วมกับเจนเนอสิกเนี่ยอาศัยตรงเนี้ยทาให้เรารู้ว่ามันอยู่รวมกันตรงนี้เรวเราก็ปล่อยวางทั้งผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดเนี่ยคือมันรู้อะไรปุ๊บส่งต่อถูกใจไม่ถูกใจเป็กลางๆเนี่ยมันเกิดพิจนาตัวใหม่แล้วก็สัญญาสังขารตัวเนี้ยมันเลยปล่อยวางทั้งยวงคือทั้งรุ่นทั้งตัวเราเนี่ยแหละคือมันเนี่ย หาไม่เจอหาผู้รู้เนี่ยไม่เจอวิญญาณขันหาผู้รู้ไม่เจอแต่มันได้ตอนที่ว่าเราเนี่ยไปยึดวิญญาณขันว่าเป็นตัวเราเรายึดวิญญาณขันยึดไอเนี่ยวิญญาณขันแล้วก็ยึดขันห้าทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเราอยู่เรายึดขันห้าเป็นตัวเราอยู่ดังนั้นเนี่ยไอเนี่ยความดีของมันคือทําให้เราเนี่ยสามารถรู้วิญญาณขันได้เนี่ยโดยที่เราไม่เห็นมันได้เพราะว่าไม่สามารถเอาวิญญาณขันมารู้วิญญาณขันได้ แต่เรารู้มันได้โดยใจว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนรู้รูปพอพอพอวิจารณ์ขัดไปรู้รูปเราก็ถามตัวเราเองว่าใครเป็นคนรู้รูปพอได้ยินเสียงใครเป็นคนได้ยินเสียงพอรู้กลิ่นใครเป็นคนรู้กลิ่นพอรู้รสใครเป็นคนรู้รสพอรู้สัมผัสกายใครเป็นคนรู้สัมผัสกายพอรู้อาการทางใจรู้เวทนาสัญญาสังขารรู้ทำอารมใครเป็นคนรู้ นี่เราไปยึดในขันห้าไว้ว่าเป็นตัวเรามันก็เลยตอบได้ว่าเราเป็นคนรู้ใครจะรู้ล่ะเราเป็นคนรู้แต่จริงๆมันมีแต่ความรู้วิจาณขัน <Large, t ell ay> มีแต่ความรู้เออมีแต่ความรู้ แ, ร <t ell ay> แล้วก็ <t ell ay> ส่งต่อเวทนาส่งต่อสัญญาส่งต่อสังขารคือทั้งรู้ทั้งสูกใจไม่ถูกใจไปงกลางแล้วก็ส่งต่อจําได้ใหมร่รู้แล้วก็คิดปรุงปรุงคิดมันก็มีแต่ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตัวเราไปยึดขันห้าซะ เอาขันธ <mile> ์ห้าเป็นตัวเราหรือมีตัวเราอยู่ในขันธ์ห้าเลยพอรู้อะไรเนี่ยตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้เลยก็รู้ที่ตัวเราเนี่ยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งบ่นทั้งถูกใจไม่ถูกใจมันเลยมาอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเพราะเนี่ยถ้าเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอะไรเนี่ยไม่เราจะไม่สามารถปล่อยวางขันธ์ห้าได้เพราะว่ามันมารวมที่ตัวเราทั้งหมดเลยที่เราเนี่ยเป็นผู้รู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งเมียรมทั้งรู้ทั้งคิดทั้งเมียลมทั้งพยายามปล่อยวางทั้งตัวเราผู้พยายามปล่อยวางด้วย มันเลยกลายเป็นขันห้าหมดเลยทั้งความรู้สึกตัวด้วยความรู้สึกตัวด้วยเพราะนั้นเวลามาวางมาวางรวมที่ตัวเราเนี่ยมันเลยวางหมดเลยนะเพราะตัวเรานี่เลยทั้งรู้สึกตัวด้วยทั้งเป็นผู้รู้ทั้งเป็นผู้ถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆนะทั้งจําได้หมารู้ทั้งทั้งเป็นผู้คิดมันเลยกลายมารวมที่ตัวเราหมดเลยนี่แนะที่ตรงเนี้มันคุณที่มันเป็นความดีคือทําให้เราเห็นอัตราเพราะมันรวมที่เราตัวเราซะก่อน เขาให้เราเนี่ยรู้แจ้งชัดอัตตาแล้วปล่อยวางอัตตาลงแล้วจึงจะเป็นอนัตตานะคนะในเมื่อมันไม่สามารถที่จะรับถูกรับรู้ได้แต่ที่เราไปรับรู้ได้เพราะว่าเราเราไปยึดไปยึดไอดตอนที่เราไปยึดแต่ถ้ามันไม่มีอะไรให้เรารับรู้ได้แล้วเราไปยึดได้ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจว่าเราไปยึดมันได้ด้วยเพราะว่าการทํางานของมันที่ทำํำพอมันเริ่มทํางานร่วมกับเจตสิกเนี่ยมันเหมือ น, ม, น ม, มันมีการ ขยับตัวของมันเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ได้ว่าแล้วเราก็ยึดว่าไอ้เนี่ยการเนี่ยมันเป็นตัวเราไอ้ความรู้สึกตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่ใช่ความรู้สึกของตัววิญญาณขะคันแท้ๆไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่เป็นเว็นเป็นาที่มันเริ่มมันเริ่มเป็นเริ่มเป็นเป็นาเริ่มเป็นสัญญาเริ่มเป็นสังขารอย่างนี้แล้วแล้นั่นไอ้ไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นคือความรู้สึกที่เป็นเราไปยึดไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นตัวเราซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันเป็นขันห้าใช่ใช่ที่วิญญาณนะไอ้ตัววิญญาณขันทางานร่วม นี่แหละทำงานร่วมเวทนาสัญญาสังขารแล้วซึ่งมันไม่สามารถแยกได้กับที่ออกจากเจตสิกอ่ะมันเป็นเหมือนกับพอมันรู้แล้วมันร่วมกันรู้เลยมันเร็วมากวิญญาณขันเกิดเร็วมากพอมันแล้วเจตสติกเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันมีคุณตตภาพมันคือเกิดพร้อมจิตวิญญาณขันแล้วก็ดับพร้อมกันมันเลยเร็วมากจนกระทั่งเราแยกไม่ออกแยกเป็นก้อนออกมาไม่ได้แยกแยกวิญญาณขันออกมาจากเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราเราปล่อยวางตัวเรานี่แหละทั้งผู้รู้ทั้งผู้ถูกใจไม่ถูกใจเป็นอาการท ผู้จำได้ไมรู้ทั้งผู้คิดคดิปุงและปุงคิดมันอยู่ในใจเราทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดแล้วก็ปล่อยวางตัวเราทั้งหมดคือปล่อยวางเห็นตัวเราชัดเจนเรื่องอัตราที่เขาไปยึดเป็นตัวตนชัดเจนแล้วปล่อยวางอัตราตัวเราชัดเจนก็จะเป็นอนัตตาเห็นอนัตตาชัดเจนจะเห็นอัตตาชัดเจนก็เห็นว่ามันเป็นขันห้า <c oughs> ไม่ใช่เป็นตัวเราเราหลงเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างชัดเจนเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่มันทนสภาพเดิมไม่ได้เห็นว่า มันเป็นอนัตตาคือมันมันไม่อยู่ในบังคับของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นอัตตก็คือเห็นตัวเราที่เข้าไปยึดเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยคือมันมันรู้ด้วยได้ปัญญาได้ความเข้าใจได้ปัญญาพอเราเข้าใจได้ปัญญาว่ากระบวนการทั้งหมดที่อธิบายเนี่ยพอเรารู้ว่าเนี่ยที่เรารู้สึกอะไรขึ้นมาในใจเสี้ยววินาทีเดียวที่รู้สึกในใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆเนี่ยในเสี้ยววินาทีเดียวที่มันรู้สึกอะไรขึ้นมาในใจ จะไม่มีเป็นมีอะไรขึ้นมาก็ตามที่มันกระเพื่อมที่มันไหวตัวที่มันมีปฏิกิริยาอะไรก็ตามหรือว่าเราเวลาเราตายแล้วเราดับแล้วเนี่ยปฏิกิริยาเราเนี้ยน่าดับหมดเลยเหมือนท่อนไม้เราตายเหมือนท่อนไม้ปฏิกิริยาทั้งทั้งรู้ทั้งคิดทั้งตึกทั้งตองทั้งวิเคราะห์ทั้งวิจารณ์ทั้งวิจัยทั้งพูดบนทั้งทั้งอะไรพุมพ้อมพุมพ้อเนี่ยมันทําไม่ได้ทั้งหมดเลยมันมันดับหมดอะไอ้พวกนี้เลยวางหมดเลยเพราะว่าพอเรารู้ว่าเมามันตายแล้วมันดับหมดเลย มันเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือมันจะดับแบบมันส่วนในวิสังขารเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรอ่ะมันเลยเกิดไม่ได้ดับไม่ได้เมื่อเมื่อเราเข้าใจด้วยจากคําสอนพุทธเจ้าแบบเนี้ยแล้วเราก็มันสังเกตเห็นมันด้วยปัญญาปัญญาที่เราสังเกตเห็นด้วยอาศัยสติสติปัญญาในขันธ์ห้าเนี่ยมาช่วยให้รู้สึกตัวไว้ไม่หลงไปไม่หลงเหม่อเพอินติดไปกลับอะไรใช่ไหมตอนเนี้พอเราไม่หลงเหม่อเพลินติดไปกับอะไรกับกับอารมณ์คือ อารมณ์นี่รวมทั้งหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ของจิตวิญญาณขันเนี่ยเมื่อเราเนี่ยไม่ไม่ส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยเราก็มีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจคือละอะไรคืออะไรกรตามที่มันกระเพื่อมมาเสี้ยวนาที่มันกระเพื่อมมันไหวตัวแม้แต่ความเร็วมันเท่าปรมาณูเขาเรียกว่าไรความเร็วมันเร็วมากจนต้อเป็นปรมาณูของจิตเลยที่ท่านว่า มันเร็วมากเลยหรือว่าเป็นประมณูของวิญญาณเลยมันเร็วมากแต่มันจะเร็วปานใดก็ตามถ้าเราเนี่ยไม่ปรากฏเราไปเคลื่อนที่เอาตัวเราไปเคลื่อนที่เราไปเป็นขันห้าที่เคลื่อนที่จะไปเคลื่อนที่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นขันห้าเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ไปเป็นขันห้าไม่ยึดขันห้าเป็นตัวเราจะไม่ปรากฏตัวเราเคลื่อนที่จะปรากฏแต่เนี่ยขันห้าที่แสดงกริยาการตั้งแต่วิญญาณขันไปรับรู้อะไรเสร็จแล้วมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือ มันปรุงขึ้นมาในใจเราเอามาปรุงเอามาเป็นมีความรู้สึกขึ้นอย่างไรแล้วก็มีสัญญาจําได้ใหม่รู้แล้วก็มีสังขารความคิดปรุงมันจะไหวตัวขึ้นมามีอาการของการไหวตัวขึ้นมาจะไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาตอนี้พอไหวตัวเนี่ยก็มีชื่อสมมติแหละพอเริ่มไหวตัวปุ๊บมีชื่อสมมุติเต็ทีว่าเรียกว่าอะไรเอถ้ามันไม่ไหวตัวก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรแต่พอไหวตัวพวกมีชื่อสมมุติใส่เลยเช่นรู้สึกตัวจิตตั้งตั้งจิตขึ้นมาเพ่งจ้องพยายามดิ้นรนค้นหาวิเคราะห์วิจารวิจัยตอง อะไรมันจะมีสารพัดอะไรนี้จะตามมาราคะโทสะโมหะแล้วมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาทิฏฐิมานะอะไรมันจะเพิ่มมันแล้วก็ชื่อมันก็จะเยอะมากลแล้วแต่อาการเลยไล่แต่อาการเลยแต่สรุปแล้วคือทุกเิลียอาการที่มันก็เพิ่มขึ้นมาจนท่านไม่ได้ใช้คําชื่อสมมุติปัญญัติเลยที่ท่านใช้ที่อัญโญยโกลัญญะลําพึงขึ้นมาว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาหรือก็เพิ่มขึ้นมาหรือไหวตัวขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา <era> พอท่านเห็นอย่างเนี้ว่าสิ่งที่ไหวตัวก็เพื่อมขึ้นมาไม่ต้องเรียกว่าขันห้าก็ได้แต่เรียกว่าอะไรก็ตามที่มันไหวตัวขึ้นมาไม่ต้องใส่ไม่ต้องรู้ชื่อเป็นวิญญาณขันจิตวิญญาณขันเป็นทํางานล้วนเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ก็ได้แต่ท่านเห็นเพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ต้องเรียกว่าขันห้าเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มันกระเพื่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาก่อเกิดเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย่อมดับไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าหลงเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะท่านซึ่งแก่ใจอย่างนี้อะไรก็ตามที่ไหวขึ้นมาในใจท่านไม่ต้องเรียกชื่อว่าจิตหรือวิ ญ, ญญาณขันไม่ต้องเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารไม่ต้องเรียกว่าเจตสิกไม่ต้องเรียกว่าขันธ์หา แต่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไหวตัวขึ้นมากระเพื่อมขึ้นมามีปฏิกิริยาขึ้นมามีอาการขึ้นมามถ้าเราตายแล้วปฏิกิริยาเหล่านี้ดับหมดเลยเหมือนท่อนไม้ที่มันไม่สามารถมีอาการเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดแต่ถ้าไม่เรียกชื่อว่าปรุงแตง่ง ไ, ไม่เรียกชื่อว่าขัหญญญานห้าไม่เรียกชื่อว่ารูปจิตหรือวิญญาณไม่เรียกชื่อว่าเวทนาไม่เรียกชื่อสัญญาไม่เรียกชื่อสังขารไม่เรียกขันห้าและไม่เรียกว่าสังขารปรุงแต่ง ท่าเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อท่าเรียกอาการของใจถ้าเรียกอาการของใจไปเลยตรงๆเลยเรียกอาการของจิตหรืออาการของใจตรงๆไปเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก่อเพิ่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาจะไม่มีเป็นมีขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิมท<ม>ั้งหมดเมารวมท่านเหมารวมทีเดียวมันง่ายกว่าง่ายกว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องสําหรับคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยสมมติป็นญาติไม่ได้เรียนสมมติป็นญาติมาเลยไม่ได้เรียน เรื่องเกี่ยวที่เรามาพูดกันแต่แรกรายละเอียดเนี่ยคือเหมารวมเลยท่านคุบางคนนี่ถ้าท่าเหมารวมง่ายก็เหมาไว้เลยจะท่านพูดจากอาการของจิตที่มันปรากฏขึ้นท่านไม่ได้พูดเรื่องเอาสมมติบัญญัติไปใส่ท่านพูดออกมาจากใจของท่านที่ท่านเห็นโอ้มันเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เพิ่มแล้วไหวขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็หายกลับไปในความไม่มีดังเดิมแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากความไม่มีแล้วหายกลับไปสู่ความไม่มีดังเดิมหรือเหมือนกับพระอรหันต์องค์หนึ่งเนี่ยเราจําชื่อท่านไม่ได้ ที่จะไปกราบทูลถามปัญหาพุทธเจ้าอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็เดินไปถึงใต้ปุฏิของใต้กุฏิพุทธเจ้าเราจะขึ้นไปถามปัญหาพุอดีฝนตกฝนตกถ้าก็รอให้ฝนหายก่อนแล้วจะค่อยขึ้นไปถามปัญหาพุทธเจ้ากราบทูลถามปัญหาพุทธเจ้ารีน้ํามันน้ําจากชัยคามก็ไหลลงมาแล้วก็ไปกระทบกับไอ้พื้นน้ําข้างล่างกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างพอกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างปุ๊บมันก็ มันก็เป็นฟองเป็นตุ่มอะมันก็เป็นฟองเป็นฟองเป็นตอมน้ําอะตอมน้าขึ้นไปเต็มไปหมดเลยว่าฟองน้ํำก็ขึ้นแตกโป๊ะโป๊ะปไปนี่เป็นเป็นตอมน้ําขึ้นถ้านํามาเทียบกับอาการของใจอาการจิตที่เราพูดถึงอ่ะโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมาก่อเพิ่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาต่อเปรียบเอาไปเปรียบกับตอมน้ํำว่าเดิมต่อมน้ําพวกนี้ไม่มีเพราะมีเหตุปัจจัยคือ น้ำฝนที่ไหลาจากชายคาไปกระทบกับพื้นน้ำข้างล่างมีเหตุปัจจัยจยยยยึงทําให้มันเกิดขึ้นมามีขึ้นมากระเพื่อมขนมาทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้เหตุปัจจัยที่กระเพื่อมคืออายัตนาภายในกับอายัตนาภายนอกไปกระทบกันนก็คือท่านเทียบกับที่มันไหลน้ําฝนที่มันไหลมาจากลังคาชายคาแล้วก็ไปโดนพื้นน้ำข้างล่างก็คือเทียบกับอายัตนาภายในกับอายัตนาภายนอกไปกระทบกันคือมันต้องมีเหตุการณกระทบกับนา แล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนตอมน้ําเลยในใจของเรานั้นมันเรื่องของธรรมชาติแท้ๆเลยเหมือนกันเลยธรรมชาติเพราะน้ําฝนจากชายคาหลายไปกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างเลยเกิดตอมน้ําขึ้นมาเพราะมีอายะตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีอายะตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและวก็ทำรมณม์กระทบกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็เหมือนกับน้ําที่ชายคาไปกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างย่อมเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาตามธรรมชาตินะ มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติคือมีการไหวตัวขึ้นมามีปฏิกิริยาขึ้นมาไม่ต้องเรียกชื่อเลยเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยผลกระทบปุ๊บมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาจะไม่มีเป็นมีขึ้นมาสิ่งนั้นนั้นย่อมดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิมนี่คือธรรมชาติแทๆ้ๆพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บท่านสิ้นความยึดมั่นถือมัน่นบรรลุอรหันต์เลยเห็นแค่นี้ไม่มีภาษาสมมติเป็นจัตเลยนะั้ทั้งหมด ท่านเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับอาการที่เกิดขึ้นจริงในใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดคือเมื่อมีสิ่งหนึ่งกระทบกับสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุปัจจัยทําให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดในใจเราก็เพราะมีอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันย่อมทําให้เกิดอาการภายในใจนี่เป็นปกติแต่เราพอเราไปเรียกว่านี่มันคือไอ้นั่นนั่นคือไอ้นี่ไอ้นี่เป็นอากุโลได้เราก็จะเอาแต่ไอ้ที่มันดีดีไอ้ที่ไปดีเราก็จะผักใสมันความจริงอะทุกอาการเนี่ยมันไม่มีชื่อ แล้วมันไม่รู้ว่าตัวมันเนี่ยดีหรือไม่ดีแต่พอเราไปยึดปุ๊บเราใส่สมุดปัญญัติเข้าไปเราไปยึดปุ๊บเราไปเลือกเอาแต่ที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีเราผักใส่เมื่อนนี้พออันไหนดีๆถูกใจเราก็จะเอาเข้าหาตัวพออันไหนมันชั่วมันไม่ถูกใจเราเราก็ผักใสมันเราดี้เราผักใสมันเราไม่เห็นความจริงตามธรรมชาติว่ามันเกิดจากเหตุมีเหตุปัจจัยกระทบกันของ อาติณะภายในกับญาติณะภายนอกกระทบกันเสร็จปุ๊บย่อมเกิดปฏิกิริยาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นบาตรันทีของสองสิ่งเนี่ยเมื่อกระทบกันเนี่ยย่อมเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมือข้างมือเนี่ยเราเราเนี่ยเอามือเอามือโบกข้างเดียวมันก็ไม่รู้สึกม่เสียงดังใช่ไหมเรามือข้างมาประกบปะยะตีกันมันก็เกิดเสียงดังคือของสองสิ่งกระทบกันเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นมานี่คือธรรมชาติเลยง่ายๆ อันเมื่ออายัดนะภายในตาหูจมูกลินกายใจอายันาภายในกระทบกับอายัดนาภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์กระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณาขันไปรับรู้ก็เกิดปฏิกิริยาก็เกิดวิญญาณเนี่ยคือกระทบปุ๊บวิญญาณาขันทางานเลยนี่ไง <S <S สิ่งใดสิ่งหนึ่งทํางาน ท, ทันทีไม่ต้องเรียกชื่อว่าอะไรเลยเพราะมีการกระทบถ้าไม่มีการกระทบวิญญาณขันไม่ทํางานพอวิญญาณขันทํางานปุ๊บเกิดเจตสิกเวทนาสัญญาตั้งขานทางานทันทีเลย มันเลยเกิดการทํางานเป็นกระบวนการขึ้นมาเลยเพราะเริ่มมาจากอายัดนาภายในกับภายนอกกระทบกันพอกระทบไปปุ๊บถ้าไม่มีการกระทบกันของอายัดนาภายในกับภายนอกวิญญาณขันไม่ทํางานเพราะอายัดนาภายในกับภายนอกกระทบกันปุ๊บวิญญาณขันทํางานเลยพอวิญญาณขันทํางานปุ๊บเจตสิกทํางานเลยเวชนาสัญญาสังขารทํางานเลยตัวนี้แล้วก็ส่งต่อวิญญาณขันตัวต่อไปเมื่อการกระทบกันใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตจะไม่ตายก็ต้องมีการกระทบตลอดเวลา แล้วก็เมื่อมีการกระทบวิญญาณาขันธ์ก็ต้องเกิดเพราะเกิดพวกก็ส่งต่อไปชนะวิญญาณขันธ์วิญญาณตัวใหม่เนี่ยเป็นกระบวนการธรรมชาติแท้ๆเลยไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของของใครเลยเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดที่ท่านว่าเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับปฏิจจารสมาบาทน ะ, ะที่พระพุทธเจ้าตัดเพราะมันมีสิ่งนี้เกิด่มีเหตุปัจจัยทําให้สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดสิ่งนี้ก็เลยไม่มีไม่เกิดก็ดับไป ว่าอาหารตัางหลายถ้านเขาใจอย่างนี้ไม่ต้องรู้ชื่อสมมติบัญญัติท่านใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกิดจากเหตุปัจจัยของธรรมชาติแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้ของใคร